สมแล้วอาจารย์่วงนี่นี่นี่นี่โค่นี้จกากของดีอ้หน้าไม่มีส้นหน้า น, น, นี่ที่กหมดสามนแลว่างไปอาคูว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมกราครมสอง8ัห้า้อยี่สิบแปดเป็นวันที่พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคูมิพลนรเสด็จรัชรกาลที่เก้าองค์ปัจจุบันได้มีประชุมนามายุ เสมอด้วยพระอายัยกาเจ้าคือพระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระสิยามมหาราชด้วยประชนมอายุ57ปี33วันเสมอกันพอดีโดยที่มีพระราชดำรัสว่าให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบางเพน็นกุศลถวายล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในนามของพุทธบริษัทเด็กหลวงพ่อเจาคุณสุธรรมยานเถระ <c oughs> กราบขอรัตนบา ร, รมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพะโรองค์พระเจ้ากับพทธเจ้าสัพพะโรองระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายลมเทวดาทั้งหมดโลดอภิบาลบรรดาลดนให้ระบาดถึเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลและระบาดถึงเดชพระปิยมหาราชจงทรงพระเกษมําลานในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อพระวีสูขสมหวัง วางหมายจองทุกประการเออเคอนไว้ตรงไหนอะถ้าไว้บนตีสามอะอะรอบต่อไปรอเก้าเกษมนะไม่เกษมแม่แต่รอห้าเกษมแม่นั่งอยู่ที่หลังไม้ทิ้มแต่ ยินต์มันม่ไ้ไม่ได้ยินววหู ด, ดีหู้องแดงแงต่ยินต์ก็ด้กพี่ครูราบเรียนลงถามหลวงพ่อว่ายายที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเวลาเองมีประจำเดือนนะห้ามเข้าห้องบูชาสะแล้วก็ห้าม ห้อยห้อยพระห้อยลูกแก้วเพราะว่าร่างกายสกปรกพระจับไม่อยู่กับตัวของเจ้าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าเจ้าพระจริงจริงแต่พระเนี่ยห้ามห้อยพระทราบไหมราบนึกว่าพระที่ห้อยคือห้ามเอาพระสงฆ์ไปห้อยถ้าคุณไม่เป็นไรทราบทอยากจะทราบว่าไอ้เลือดประจันเดินมันมาจากไหน ออมาจากร่างกายอลยมันอยู่ในนั้นแหละแต่ถืออะไรก็ส่งเดไม่จําเป็นเลยอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แลเกิดจากประจำเดือนนันแหละอ๋อแลวแม่แล้วแม่ไม่จำเป็นต้องรู้กฎไม่ได้อ๋อ จาการใช้กับคนเกศเนี่ยเรื่องนี้หนักจริงๆเลยนี่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นแ่ะที่คนแก่ไ่ชอบผ่านจริงมันตับไม่ใช่คนแก่ท่านก็พาจากคนอื่นมาอเรื่องนี้ในความจริงพุทธเจ้าไม่เคยสุดตันเลย่านจริงเลือดก็เลือในร่างกายธรรมดาเองตอเป็นประจำเดืนมาเกิดการงานเกศนี่อะไรมา ภาษ า, าหมองกาเรียอะไรในสมั ย, มยกักนเลงเาเรีาณาุรุษอ๋อแปลแปลว่าอะไรครับพ่อครับำไมรั่วไอ้เนี่ไอ้กา้องไข่อ๋อเป็นเยื่อรองบางนะคนเลือดมากที่ เ, เ, เยื่อองบางอยู่อ๋อจะบางมากเวลาไข่ลงมาค่อยบอกเิ่ง่างนี้แหละบ้าบ้ถ้าเดินไขใ่ใช้การได้ไขส่สรไหลนี่แตกมาด้วยเล็นเลือดไหลามาท่านนี้มมนไม่มีอย่างอะไรอ๋อจะมีเรื่องดี ไมมจุวัดนะรู้ก็วัดน่ยออก้อยู่บ้านเ็วาอยู่าแค่เดียวออกบวชไรู้รู้ละเอียดขนาไ่อไรแล้วเมื่อ20ปีกว่าลูกนี่นนี้เไม่ลูกนั่นะอชีพอาชีพเดิมออาชีพก่าแตอาชีพเดิมวิชานี่ใช่อยู่ อ้เนี่เป็นไรไม่เขาเรียกว่าฐานะบรสรุทธิ์ราภาษาติดเครื่อะไรอยาเงี้ยแหะสาไม่ใช่ศาสตร์ันเปนสิทยาสครัาารบถ้าว่าต่อไปตอนตอนนี้เขาตัดเป็นว่าไม่ต้องถือการนั้นทุกคนนะสามอยาถือเป็นสาระให้ถือว่าทัได้ตารปกิสญญาพระพุทธเจ้ามไม่ได้สรอกนฉไได้ตัดมือสลหมผมเป็นทุกอย่นเียวอย่างอื่นไม่เป็นไรตอนทีมีประจำเวนห้ามใส่บาตพระมีกูมหวนโดกเลย เอาเรื่องกันข้าวไตาะที่ไม่ได้มาปฏิบัติล่าไหนไม่มีบัใช่ไับตรงไหนไม่มาใส่ไ้าใส่ควาวเกิดเดือนนั้นระจาเดือนร้องกรเสุดทะเลอย่านี้แกเลยหน้าเป็นหัวกะละหรือเกิดเรื่องนี้ไหมใ่ที่หลวงพ่อบอกว่าคนเราเวลาใกล้จะตายเห็นภาพสมเด็จลอยมา แล้วก็มีหวังจะไปนิพพานได้ที่ว่าภาคนั้นเป็นภาพแบบไหนแบบระพุธหรือแบบวิสุทธิเทพหรือแบบอย่างไหนกันแน่ครับแบบไหนเอานั้นน่ยไปได้เท่าน e so okay? ั้นหรอไปได้เท like, right? okay. ph ้านั้นเนี่ยท่าสมาธิท่าความมทิพระบาไปฝากฝากาเหรนี่ันภาพพระพุทธรูปใช่ไหมสมาธิลเอียดก็าจจะมันภาคพระพุทธรูปแตเป็นแก้ว มาพิธีหน่อยอดีมิรุสงสงรสมนีก็สุดแล้วแต่ท่านจะแสดงของของดทวานั่นท่านท่านจะแสดงตามทาพอใจพวกเราบาเราพอใจแบบไหนท่านมาในรูปนั้นไม่จำเป็นรูปอะไรก็ได้ไหมเอาใก้็เพื่จชาตอยู่ใกล้มีหวังร้เปรซบาทุกคนเป็งนั้นอธิการมีแล้ว เร่อ ท, ที่รู้เขาว่าไม่ใช่รู้เขาตายแล้วถามถามแลก่อนตายเวลาไม่เห็นอะไรตั้งเห็นรู้แต่ใจอยูกใกล้กมาอยู่ไก้มาเนี่คือเราเ็งแล้วนะาสามารถถามเขาเขาตอบตรงใช่ๆปากไหมก็ได้ไปได้แค่หลวงพ่อจงฟ้ดิฉันนำบาทวิราโยเอาไปไว้ในห้องนอนเพื่อเป็นอนุสติเพลอพลิก ปูบาดหล่นลงไปแตกละเอียดเลยจะขาดปรากฏว่าเหรียญคงจะหายไปบ้างนิดๆหน่อยๆอยากเอเรียนทราบว่าเมื่อนำเงินที่ไม่ครบมาถวายอย่างนี้จะมีเศษบาเศษกรรมติดหรือเปล่าจะหลักท่านเห็นในทุกเรื่อรบาปมันแบ่งแถมมาหนักกระเป่าีปไม่เป็นไรบาปไมื่อเจตนาละโมนิไม่เป็นไรนะ เ, เ, วเวลาอันนี้ลูกายุ67ย่าง68แล้วขอรับกำลังข่าวอะไรเนี่ยวออา่าจะยังไม่ตายเลยนี่แล้วว่าใคร่ทยได้า อยากจะอยู่ให้ถึงอายุ90เพื่อจะได้รงบารมีหลวงพ่อต่อไปแต่การเจ็บไข้ก็ใกล้เข้ามาแล้วอยากเรียนทราบว่าจะทำบุญหรือปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะมีอายุครบ90ปีพอดีออน้อยไปสั่งใจไม่1้อยปีวิธีปฏิบัติไม่ยากนะครับพ่อแนะนำเลยครับใช้ใจเรื่อยๆเอาอีกแล้ว แม่อม่ก็นีองคิจะห้ามความตายไม่ได้ห้ามมอนไม่ได้นะโอ้ทำที่ดีกว่าฝารูรักตัดสินใจว่าจะตายเมื่อไรเขาใจไม่ทันนะอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โร้โอ้โอ้องโอ้โ้โอ้โอ้0อ้โอ้โอ้โอ้0อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้องบอ้โอ้โอ้โอ้โ้โั้โอ้โอ้โา้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ่โอ้็อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้โ้้ ตายมื่อไก็แช่มากหรือเมื่อก็แช่งตายมื่ไทีายไม่ตามนนั่งเจ็บอยู่ก่อนเขาฆ่าไก่ตามที่หลวงพ่อว่าไว้แต่พอเวลาถวายจะอาบใจหวัดพอเวลาถวายไก่ไม่ขอเลยกลายเป็นหนึ่งไก่ต่อสองคนไก่แกจะเอาโหสิปให้หือเาที่ประหยัหน่อยเจ้านี้่เขาไม่ได้ฟังคับว่าตัวไก่นะ อ๋องานผิดแล้วดีเป็นชอบที่กลับไปนงานไดอีกเนี่ยเขาก็จะมาคับว่าตัวไกลนะราบราบเขาบอกว่าถวายไกลเพื่อคนถวาอเขาเขาคิดสนให้ไหมลาบใใครที่ทำแล้วมโพสิกรรมเขาไม่ถึงกันขัดว่าตัวหนึ่งนะกยังไงยังเข้าแทรกผิเสียเงมากเกินไปราบถ้าไปหุ่นหน่ก็ได้เนาะ ทำใหไม่ได้ละผีนี่ใไรก็นั่งต่อรองไม่ได้เลยอ๋อแต่เนื้อไม่ดีก็ไม่เป็นไรแม้จะทำพลาพลาดเน้อยางที่สุดก็ยังให้แค่กับไคครับฝากพอนี้ต่อรองไม่ได้ขออยากวายังไงต้องทำตามั้นเลยมือทางเลยหลัันต้อก็ำตามนั้นวาดหลังมันมีหลากทำไงท่านพ่อก็ค่อยๆลงดังเลสิอ๋อ ก็ถ้าอยากซื้ออย่างูไปซื้ อ, อที่วัดท่าซุงหะแรอยรไหลนะแต่เท่าไหรู่หนักกว่าี่บาทลงมือซื้ออย่างแมื่อซื้อไปเก็บอย่า ง, งเยียบาทลาลาเอาไปนาค่อยๆรวบรวไว้ค่อ ย, าา ย, อยก็ไหลก็วาไหวีว่าไหมลาบลาอย่ารีบเกินไปแล้วก็มันจะ เื่อเดร้อนแล้วว่าถางหายให้เลยเขาเนีเขาไม่ยอมครับเรื่องมันมีเรนานแล้วนะีา่ากปายงวงสงเนี่ยท่านบอกว่าหัวหมูใบสถาทานที่ใหญ่หปก็ า, า แ, แก้บนแก้บนตอนนี้จะมีคนแก้โค<า>่ากแทนที่จะหัวหมูทำหมูทาข้าเอาเสื้อแมหมูมาเนอท่ามืนหัวหมูเออ้นถาเวเจวาตาบอกผวไรเนี่ย มันโขงสองต่อเปล่าถามว่าโกอกถ้าแค่ใหม่ต้องปรับเป็นสองหัวท่านบอกจริงๆนะเปา่ปาเปล่ออจริงๆนล้วไม่ยอมครับโดยท่านคนนี้ท่านพูดแต่คาเดียวนะเปล่าเราไม่ได้เอาว่าเราไม่ได้ลองพ่อจอะซักชะตาชีวิตของดิฉันปัจจุบันนี้ชอบตกงานเรื่อยๆจะ่าดด่มากดีอีกแล้ว้าก็ไม่เลย ไม่สามีแล้วก็ชอบไปเจ็บผู้หญิงนอกบ้านทําให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งอยากจะเรียนทราบว่าจะทำบุญกุผลอะไรจะพักจึงจะไม่ตบงานหลายๆปีเะพักผอ้โหชีหรือติดเออแปลกปะหลาดประเทศที่ก็มีเลยเออแปลกประกันดบ้าก็เอาการบ่อยๆบ้าเปล่าเออก็คิดไม่ออกกูจะ เันนี้ดิควเมตตาบารมีแบบไหนเมตตาแบบไหนครบให้สุขภูมีหัน4ีมีควิดนะอ๋อเมตตาความรักภูรายความสงสารตั้งไว้ใช่ไหมปปไม่ใช้สัญญาไขความเฉยตารุณเทีมาต่อต้านเกิดเจป็นสุขอรมณ์สบายดุสุนจะเกิดอ๋อแล้วก็เอางี้ลกันป่ะป่ะที่เกิดโกรธ บอกที่เกิดนะถ้าโรธก็น่ายินได้อย่องางนี้ไม่จบงานแน่โอ้นี่คนจะโกรธเป็ น, ะนอะไรตามใจหลวงพ่อจะรักโดยปกติมีทั้งจะต้องทานอาหารเย็นอยู่เสมอแต่พอมาลับหรือแต่ คองที่ซอยสายลมแล้วกลับไปบ้านกินข้าวไม่สะดวกเจ้าขาดทยังไงดีไม่รักกโ็โผลเข้าวถายัรับไปแล้วกินข้าวไม่ได้ก็อะไรเขาไม่ได้รักจะขอที่ใหญ่จะมาชานนี่เรื่ง<อ>แล้วก็รักสายแค่สิเห้ากว่าฟอเอาวิสินะยังไงครับผมก็ถ้ากินข้าวเย็นนะเขาขาดใช่ไหมกลับไปรอดร้อนใช ผมเวลาใครใครก็มทานกจะมาทานชแป้งพากกระชินประจําปากากก็จะมาทานเป็นประจันใช่ไหมปากมีเขบอกบ่อยๆนั่นเลิกแล้วเราก็ขาวไรักษาช่วงหลังเวลานี้พาร์ทีถึแม้ว่าเวลามาเดียวแล้วเาทานิิดตัวที่สุดปากที่อสนนสูงมากอนช่วอนนี้สมเองนะทุกคนนะปากปาก้ปินได้แข้าวย็นเท่านอ้น ขอแปะเฉพาะเวลาปฏิบัตินั้นเองใช่อของพอดีนะสิงห์่อนตันขนยาวนะไม่สิงห์ไม่ใช่ตียาวไปก็แคบแคบไปแคแต่ว่ารษาชุกช้าได้ของโหแม่วาวงเป็นผู้ปฏิบัตินะครับที่ฉันมีความกระสามีทพ่เป็นมีเมียน้อยถึงกับจ้างคนไปยิงเขาจะให้ตาย แต่วังเอิญฝันระมาบอกว่าอย่าทาเลยจะเป็นกรรมต่อไปที่ฉันก็ยังโกรธแทนสามีอยู่ไม่ทราบว่าทอยางไรถึจะได้หายโสดเสียป่ะพระองนั้นจงบอกว่าจะติดได้ถึงผักคุณจะทำยังไงพ่อคนจะบอกว่าถ้ า, าเป็นหญิงผัวตายจะเป็นไหมบอกไม่ถึงผัวมีเมียน้อยหรือไนาไหนเอกนุษย เอาอีกแล้วเอาจชอถึงข้อแนานรู้สึกขนหับกนหน่งเลยคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวพูดดีกวพ่อพ่มีมีหน้าก่อนตัวท้าไม่ทนบกี่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตนี่เอาให้ดีกว่ากรับข้อแนะนาเลยตอนไปเที่ยวเราก้านนองหลับสบายยั่ไง เอาแบบนี้แบบนี้ดีกวาเรสร็ศสัดตาเปดารุ่ดเอา่จะให้ดีนะปลาผากปลาผัดนิ่มไว้แล้นก็ไปเที่ยวจะทำไม่รู้วาชีมาเหมือนดีเรื่อยๆไปช้ามันก็ไม่ไปปลาหลายวิชานี้ท่านธรรมาท่านเคยเป็นหมอทเมงไหครับหออหลวอพ่อเนี่ยเอใช่โอ้โหอยู่กรุงเทพโ่คนขึ้นัเลยะครับ ทำเป็นไงก็อร okay, ่อวเ็หัวไปเที่ยวไปบ่อยแคก็เดือดร้อนใช่ไหมขาดบาว่าอินูเอาแฝงมากระป๋องขาดต้อเงินหกบาทดอกไม้สามสีทุก5าดอกเพียนหนึ่งเล่มขาเอามาที่จะเสกให้หนึ่งเดือนโอ้โหแต่ก่อนจะเสกก่อนจะรับไปหนึ่งทันเป็นไม่โกรธก่อนขาจะไปในมารือจะไปเที่ยวก็ทําได้กพื่ไม่างเสียหน้ายิ้มไมเสนอไม่หม แล้วเวลาลับแป้งไปแล้วนะ้าให้ว่ากระแทบปดใจคนหนึ่งที่ตองปลอยปากปวดอะไรก็ได้หัดหน้าแล้วก็ชาออกหน่อยเป็นิ้มาเสมอห้ามตัวห้ามตัวจริงๆสามเดือนไม่ถิงเดือนไอหมอหนุ่มไปไหนอยู่บ้านเลยหรอครับใช่จะไปเห็นบ้านไปสวรรค์ งานเนีาน่านพอหเห็นบ้านป็นจะร้องขบวนเลยที่<อ>แต่ก็จะไม่เศเศษนั้งแกล้งก่อยที่ตาของป้าเบี่ก็คืนไปของท่านถึงถามเดือนแล้วให้สัตกวก์แงเนี่ยคือของถวายท่านไปราบทราบเหม่ในฝนแล้วนะครับโมตีเต็มด้วยแป้งนี้เริ่มตีฝน แทนที่ว่ไอ้ัวที่ปวดมันกลับาหอบใจหาจริงจริงๆะคาับเปมียผมคิดเลยเลยมันมีแค่มี้เองไม่ใช่ไรพราเราเป็นผู้ชายรรู้เรื่องกรรู้หัวใจนะเพราะเสน่ห์ผู้ชายทําะไรยากผู้ชายครับองั้นก็ถ้าถามว่าใครมีใครสามีของใครเจ้าสูมีเมียน้อยเมียมากก็ใครใช้ตำรานลวงพ่อไม่ร้อยไม่สอ ว่าก็ไปหน้าอนี้ยมันมีมีมากมะเปนมอาครับในคณะในความมีที่ได้จริงนะตาตาโเาป็นหมอสเหนื่อข่าวป็ึเดกสุเด็ดอาจารย์นะาามีคนในพรอบคัวมาเรยรับหมอผู้เหนอล่นแต่กล้ตาเลยครับพาอพเห่ถ้าถ้าเหนื่อยไหามถามเป็นยังไงบอผมทแบบนี้ครับพึ่งารู้แล้ว ผมให้แกทาด้วยเหรอทำด้วยเลยใครป้องข้าข้าดามดีโอ้โหทำให้ผัวเมียเขารักกันไม่พาว่าอรับลา้วคนที่เขาถามไม่หยุดนะหาพุทธประเสิดอะไรก็ไล่มาขึ้นบนแค่ไหนว่าอะกี่หาวเ่ยเป็นโอ้ว่าจำคำนี้ว่าแต่งทำไปไม่ถูกบาแหน้าตายินเยงเฉยใสสวยก็เป็นบ้านทนั้นแหละไม่เรียกอะไรเพราะตัอย่างไม่สีแกตไม่ติ เสียจะบักเขาจะบักเพื่อนเกว่าจมาดาพี่คิดนี้คิดนี่ยิ้มเลยแล้วทำไง้องงานหนไม่ขายเงินห้นเสียไม่พูดท้าวคามเปจริงเออประเทนั้น่แล้วเราคิดไม่ะดวกไปจะได้ส กินหมเอาไว้ก็ตื่นนก็อะไรนั่เสร้วก็นมแลก็แพ้ดีอะไรกันมันไม่ไม่ตืนไม่ีรับครเราเากินตลอดก็อยหักินไว้นะครับพูดแต่เดยพี่นี่อย่างมแล้แล้วไินทานปาไม่ได้ินทานนี่เราเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานฟังครับเออคือว่าไปวัดแห่งหนึ่ง อดมีศรัทธาเรื่องสายไม่มีเงินจะทําบุญเลยถอดส้อยคอพระประมูลเอาเงินเข้าวัดกลับมายังคิดในใจว่าเอเราเป็นการปรามาศพระรานการหรือเปล่าเนาะเอาพระ่อมาขายขายพระขายพระขัดในขอเพราะว่าในคอได้กำไได้เงินได้เป็นไรก็ไม่เป็นไรเขาทำบุญนี่ ถ้าตั่งใจทำบนไม่ได้ไปอาชีพมาว่าซื้อข้าวกินฝ่าละความริงถ้าไม่มาจริงนเียไปซื้อข้าวมันจะยใช่ได้อ๋อพุทธังกำนันกระช้านี้เขาถึงพระุจารถึงขึ้นขายตังสึงขาัทังกำนนเช้านี้เขาถึงประสงค์ขึ้นอารมประสงค์ใขายกินข้าวถ้ามันจาเป็นนะฝาละป่า จะได้เขาทำบุญยาจะทำบุญใช่ไหมต้องโมสนากเท่าเลยปิดประตูจะนอนบางเอิญไปพัาแมลงสาบตายเสียงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบจก็บข้องอยู่เสมอเป็นทุกข์รอให้ลงก็อช่วยกันละเอาละจะต้องตกนรกก็ไม่บาปอยาที่ต่อไปเวลา เล้วสะพามบลญแล้วบูชาพระแล้วที่ส่งผให้แตงโนสะศาดแน่าปรือตงุกรรมพระพันที่ไม่บาปเลยเนี่ยอ๋อไม่ไม่มเกลนาอ๋อเลิกคิด้บาปบาปยแงงมอยู่ว่ที่ส่งผให้แตงโมเป็นโมสุกรรมเนี่ยตัดจากรลงไปบาปบาปวัดอนิยมกวเอกระผมเป็นผู้มีความป่วยอยู่เสมอือดท้ออืดอื ย่นขึ้นประสาทเป็นเวลานานแล้วเวลาจะปฏิบัติธรรมฐานมันก็คอยกันแง่ทุกทีอยากจะให้หลวงพ่อช่วยที่นะแท่ใส้วิธีปฏิบัติให้หน่อยเถอะดีเพราะคือสืต่อไป็ฉันก็อึดเหมือนกันแต่อึดกตองไปราวนาทุกวันห้าร้อยแ่เดี๋ยวนี้ไหายอึดอเห็นไรพอหลวงพ่อเขาอมายี่ี่แล้วที่แปด ไ, ไม่รู้ห้าร้อยว่ามาแล้วกัน อ, อ๋อนี่นี่อื่ที่ยีงอื่บ้างของพ่ออ่ะพ่อ <c oughs> <c oughs> น้อยกว่ามันมีน้อยกว่าโอ้ร <c oughs> <c oughs> ่จาจิงก็จับเป็นอารมณ์เลยนะแบบจับย <c oughs> ังไงครับเวลาถ้าเป็นสมาธาาินานาความรสึกมันจะไม่สมตัวใช่ไหมภาพถ้าให้ลงคิดนิดหน่อยก็ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้ถ้ามีแล้วก็มีโทษอย่างนี้ถ้าเกิดมีอีกเกิดอีกที่ชาติก็เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีก ถ้ามันทำอะไรเขาปฏิธานมันนั้นอางนี้แค่นี้ดีกว่า<อ>ตัดไนเลยนะให้ลมตัดไม่ได้นิดเหนื่อยก็ใช้ได้แต่คิดทุกๆวันวันนิดนหน่อยต้องปฏิภานแน่ถ้าคนจะปนิพานได้ถ้าสายกายยังคาตาโนติถ้าตัดกายยังคาตานติไม่ได้ปฏิภาณไม่ได้ <c oughs> องพ่อขอรักร่อของนั่งสมาธิได้สิญาณ่านสาม พอจิตถุนตอนนั้นรู้สึกเครียดไม่มีลมหายใจรู้สึกแน่นหน้าท้องขึ้นมาทันทีอาการเป็นดังนี้เสมอเมอจะแก้อย่างไรขอรักอย่างนี้คนนี้เป็นที่รักของพระสงฆ์แบบนี้แหละครับใช่แล้พระสงฆ์ทราบระยิ้มไม่ใช่บรนดาภคมณ พูดแต่ประเทศนีนเลยจะไปเมื่อก่อนไม่แต่งอะเป็นไรเมนประเทศมีอ่าก็มีอะไรทุกเอาเวามื่อกีไปเลยไหมฝ่าฝ่าถ้าใชอารมณ์ลึงสมาธิไม่ดีก็ใช้ปัญญาก็สั่งฝ่ามันได้เล็กเส้นน้อยจังหวะทีสมมติก็ใช้ได้เห็นว่าร่างกายไม่ดีเราไม่ต้องการมันอีกว่าเราต้องการบฏิการเท่าเนี้ยจะต้องมากนะ อ๋าจะ ไ, ได้ทำไมได้มาตรงทางนี้ด้วยคราบเวลาไปเผาศพก็จะกินข้หรือพูดเรือศพพอดีปัญหามาเลยนั่นสิควรจะตั้งอารมณ์พิจารณาอยางไรดีจึงจะเหมาะแะต่พระธรร ม, มาฐานเจ้าคะคู<ม>ใจเนาะคู่ใจเนาคูใจูใจเนอะคูใจเนแ้ชือ่อใจอสนคู รา บ, าบว่าคนที่ตายเนี่ยเสมมีสภาพเหมือนเราใช่ไหมลาบเดินได้กินได้พูดได้ทางานได้ในที่สุดเขาต้องตายเราก็มีภาวายต้องตายทีนย่นี่เหมือนกันลาบเพราะว่าอย่างนี้สาพสมบุรอริยาเปนสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อนะลาบเกดขึ้นแด้วจะเสื่อมไปเกิดขด้นแล้วจะดับไปถ้าเข้าปุถุพายจะวิบากลาบเต้สังฆโมตสมงคโข การเข้าไปซสงบการ น, นั้นเกี่ยวเป็นสิ่งในก็ะหม่อความว่าการที่มีร่าใจไม่นที่สุดมันก็พังแบบนี้ไม่อันหมดเราไม่ต้องการมันต่อไปนั่นคือเราต้องการนิพพานอา๋อคำตอบนี้นะาาลาดลาดหลวงพ่อขอรับมุมนี้ฝันไม่ดีติดๆกันมา3 4คืนแล้วแข่นไปฆ่าคนแล้วติดปุ๊บอริมาจะอั กินเป็เวลานอนเวลามีเจ้าเท่าสายบาก่อนอ้ข้าว่้าวข้าวั้มวนข้ามไมยากหมากมแทงเลยใช่ใช่กาบาเจรรถเจริขึ้นไม่สำคัญสาธุครับได้ข้าวหวาวันแก่บาแตก่บาอ่าทีนี้ที่ถามก็คือว่าอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำวิธีหลับแล้วไม่ฝันร้ายหน่อยเ่อดครับขาพนนาวัตอพนนาว่าอะไรก็ได้ครัา ถ้าจิตเป็นชาญนะมันจ่ฝันร้ายมีจะฝันดีพอเวลานั่นจิตมันในลมยาบมีนฝันแบบนั้นบช่าชเพราะอย่างนี้อย่างที่พุทธผู้พนาโนยยิที่เนี่ยถ้าทำได้แล้วหัวถึงหมอนโวกลงในใจพุ่งไปบรินิพีนั่งเกีย่าใช่เพราะพระพุทธเจ้าและสองสามนทีก็ได้ลงมาแล้วมันจะมีจิตจะเป็นสุดถ้าเวลาฝันจะฝันดีถ้าฝันรบกันก็ต้องชนะใ่ จะทั <ika> <that> ้ง <son> er yeah, so wow! <that> ัมแท้ไม่มีแลดีเสมอตอบไปดีหลวงป่าเรียนถามหลวง้อสงสัยเรื่องคาถาที่ให้ไปว่าเศกน้ำล้างหน้าได้จะเป็นผลิกมงคลไม่ลูกอยากจะถามว่าเวลาเศกน้ำอาบจะได้ไหมครับว่าเวลาอาบต้องแก้หรื่อยไม่ ก็ทำปลหม่งเดี๋ยวมันไหลน้ำไหลมันจะไปปลามงปลามมาอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรงาหนักใจพี่นุ่ใไหมอะไรทแปลกใชปัญหานี่คงไม่มีใจถามมาหัวเราะ่นุ่นม่ถาม ว่าวแต่ก็ขออนุาอะไรลาดลาดอะไรลาดลาดล่างใ้ายเป็นน้าบอลาดก็ไม่เป็นอะไรก็ของอ่แแล้วเนีเป็นอะไรนไม่หาบ้าๆรือว่าอาบน้ำไม่เสียนมากใช่ไหว่าน้ำจะเป็นยไงก็ไม่สำคัญเให้ปิดนึกถึงอยู่เอน้าเป็นน้ำตอนเวลานี้เราอาบน้าน้ำเป็นเศษน้ เียจะตั watering, ้งท่านให้ตังใจว่าอาการปดนั้นเป็นความรบกวนเองให้สีน้าเป็นสังขาให้เีเเ um okay ื่อเวลาไปเวลานี้เราสีข้าวต้องเสีข้าวเิ่หนอยที่บ้เสข้าวแต่คอนี้ันโตพาเอาข้าวเป็นต้นนำเวลาจะลงน้าก็เอาหน้าเป็นตนน้ำเลาน้านี่เราก็เสียน้ตั้งหน้าคอให้พอนานขัดปวดนะเวลาจะอาบน้ำาก็ต้องเสียน้ำอาบน้ำ เราต้องการภาวนาถาบรมันเอาความผสมท่านในเั้าเลยสาสานี่คือนี่คือสาบนหนน้ำมันจะลอยไเรื่อยๆนี่กอนูอย่างเยอะอยเื่อยสาปอ๋มันไม่เกี่ยวกัว่างทีเวาต้งการแค่ประมาณนั้นอเพราะใช้เวลาไม่ได้เป็นเวลาโอ้เป็นเวลาที่คิดอยู่ใช่ไหีสาคิดอยู่ปิดข้องอยู่อารมณ์ก็เป็นฌาถ้าอารมณ์ฌานแน่นแน่นอนโอ ปรับดีไปอีกนะครอ้น่าล้างต่อไปนะทังทีก็ควรจะเสกงางารวจดูแล้ววี่บทรศโอ้หลุกภาษาจะยุ่งเงินนะยิ้มก็ไม่ยุ่งถ้าไม่ยุ่งลราคิดมากไปเองอ๋อมันเป็นความประสงค์ท่านให้คิดไว้ถึงเวลานั้นเราจะต้องทำถ้าเราไ่ได้คงอยู่ปรนเดี๋อายาบ้างบ้างฉันใช้ไนเรื่อย อาแต่ว่าเรนอนพักหน่อยจับอนาพาไม่ดีปัาบก็จับเรื่อยๆว่าสบายบอ๋อใช้เป็นปกติไหมบ้านเรามัญชีแล้วคนก็เกิดอ๋อที่เป็นความดีทาพี่ท่านย้าท่ีท่านมาแล้านเรื่องนี้ยืนยัเรื่องไรหลว่ออยืนยันเรื่องนี้พระคาถาเนี่ยใช่ใช่อ๋อแล้วก็เออหลวงพ่อลาก็หมดเปแล้วไหมวีดีแน่เลยแน่เลยอ่าไม่ใช่แน่หรอก เดี๋ยวใครจะถามแล้วจะถึงมันได้บาปบาปวัออนนี้ไปในพราจะถามพอพอดีเลยแล้วก็ไปนั่งเดี๋ยวก็เลยเดินไปที่พระรจ้าสุวรรณพระเจถามแล้วเจา้คาคุณทางดเดินผ่านหน้าไปไปไหนทาเนเจ้คุณไปไหนครับไปปล่อยทุกหนลรวก็ยังไงในีสักเดี๋ยวถ้วเราอยากจะทุกมันพราเจ้าคุณว่าใจนิดมา หลักหลกท่านก็อยกรู้ว่าไหนครับไปส้วเนี่ถ้าไปส่วงไหนก้อยทุกข์้องไม่รู้ก่อนไหนขาดหลักเลไปนะท่านประเด็นไปที่คุณตาเราเดิสวนมาบอกก้อนพี่ตะกี้เี่มาไม่แยกบอกไม่ชนไม่รู้อยากจะชนมาคนเลี้ยวเกือบโอ้อไปไปมาเวลาเข้าไปท่างในขาดหามีวันนี้ไม่ได้เรียงในแท็กยอดแหลมนี่าำไมหลวงอหากินยากต้องนั่งข้างหน้า ผู้พัดยอดกุดไปตามไม่ได้นั่งแถวหลังโอ้โหนบมากคนนี่ไม่สะดุดเลยโอ้โหวากันนี่ถ้ามนั่งไกลๆถ้าเจ็บหมุกบิดก็ไม่ได้นี่ไปนี่ไม่หมุกบิดด้วนะสามแถวเฉยๆอ๋อตั้งใบโขนั่งแถวหลังสุดใช่ไหมขาดสามมีสามแถวเละเรานั่งสิ่กำแพงเลยขาสามด้านนันทาย เหลวงเมีท่านนั่งอยู่ด้านหน้าไหมแต่เท่าไรคุณใหเราพักไปไปานสบายวันนี้รู้สึกพักเอพักอนแล้วนี่รมานเไอ้ช่างโมกต์นี่เป็นไงได้ไปไลมากปนยังไงปวดแมากคุณเลยแต่ว่าเวลาเข้าไปนั่งพักเข้ไปนั่งปกนี่นะลาได้เป็ไงม่ดีกรีเทพห พอเรานั่งฟังเทวดาที่มาองแรกสร้างหยามเทวาที่แรกโอ้ก็ว่าถ้าสรางหยามเทวดาที่แรกน่ะถ้าสร้างติดหน้าเลยหน้าสร้างเทวดาที่แรกติดหน้าสิองที่มันั่งที่แรกึป็นชมสวยมาก เมื่อสายเจ้าเครื่องประดับสวยสวยมากจริงถามว่าเป็นใครเพรับผมเนี่ยเป็นประธานสยามพิลาทีร่าเป็นหประฐานเลยประธานเลยวัยย่ใหญ่เพิ่งแรกจะเลยทุบตักทุบตักใช้มาตะไคร้บ้างนะผมว่าไทยเมื่อนั่งแล้วพวกเข้ามาไม่ติดใช้กัาว่านั่งคุยรักว่ถามความเป็นมาและโชผของมันกันหนึ่งเออหัวเราทุกวันหลัง อ๋อจะมีอะไรไหมบอกไม่มีเลยครับเพราะปลอดและก็หลังจา ก, ก, กคุมพาไปแล้วเรื่องเรื่องคุมพาเนี่ฮะจะค่อยๆมีคนเริ่มแก้ประก า, า, ารต่างโอ้แล้วก็จะเรียบร้อยหนดเมื่อสาห์โอ้ตาเนี่ยเนี่ยตาฐานว่าจะทำแต่ออร้อนมีอะไหมผมสมมติไม่มีไไมะไรมากแต่คนเรียนวัดให้ไป ไ, ไ, ไม่ได้ กต่วกรที่คุยกัิตอนนีก็คุยกันเกิดไม่ไดอะไรคุ ย, ยนาากนในความเป็นมาต่างๆสาบสาบฉันก็ลืขุนถาานน้าขุน่ะขุนอะไรหลว่ไม่ได้พอหน้ามาพัมาเป็นคนแถววิน้แต่อดขุนจำไม่ได้ชือคือแค่ขุนนี่เลยแต่ก็ไม่ใช่สาบราบั้งว่าสมัยไหนก่อนสมยัยเกียรแสนอายุพี่เกียรแสนด้วยกันนะบอกไม่ใช่ผมอยู่เสด็จนนจนาอะไร แถวมว่าเป็นข้อเบืองที่ศาสนารายเวลานั้นเนี่ยหนุ่มกชากคุณลินที่ที่ชายของสาวคนนั้นอ่ะเป็นปีไฟ้เขาได้เมียได้เมืองขอได้มี่ท้งมพี่เล้เป็นที่เมียอ๋อเป็นีาา่เมียนะทไมในภาพเดิมนะตาม า, า, านางตายทำไมในภาพเดิมคืนไปคืนมาแถมเวลาใ้ทีมไหนมองนตรงสาวของบ้านของเมืองไม่ก็โกงมานี่ก็ ก็อยู่ในเกมก็คือพระศิลา์ที่บัดพิลาวิเศษอ๋อมีธรรมาเร็มวันเต็มาันเลยแต่ตอนเข้าไปนี้แรกก่อนจะถิ่ววังทาสราบแล้วพบใครก่อนทําพาะ้าแม่ไปรอรับหน้าประตูยอหตามแบบฉบับตแบบหัใหญ่โอหใหญ่มากอคนนี้หัใหญ่ทุกคนมีไหมาถมว่ามีอะไรบ้างต่อไปขางหน้าผมไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยกันเก็บตราน ทุกอย่างมันก็ไปกฎทุกอั่างใชาๆแต่ต่อมาพอเวลาที <uh ่ตอนไอ้เวลาตอนที่มันมันยุ่งขาขามันปวดบ้านประเทศ่มันนานขาใครวขาแม่ขาแม่ปวดไปปวดไปใช้ขาซ้ายขาไม่ปวดถูกถ้าพ่อปวดพ่อมาแล้วปวดแม่ก็ไม่ปวดครับตอนทำงานพาไปมาแค่นี้นี่ก็ไม่ปวดครับ ก็เลยแช่รมหนักนิดน่งอ๋อหนักนิดก็เลยมันก็อยากถอนสายเยรู้สึกสบายมากอ๋อพอตอนจะเลิกขึ้นไปพพุทธเจ้าโหมลม่ันแดอุงใหญ่มากสาจะเสาบตั้งทงสถาการมันโดะบกตาี่มเขาบอกถูต้องทุอย่างอ๋อุกอย่างว่าอาการต่างๆตั้งแเรื่องุณา อยากมีคนคลี่ขลายสันนิายค่อยๆคิดไปไหมไปเจอพืชสภาจะรู้สึกว่าแจ่มใสขึ้นใไตามหแล้วก็เลยสบายใจตอนนี้เป็นเวลาคือแทบว่าโอกาสจะคุณไม่มียู่เนี่ยเสร็จสรรพคุณไม่ได้เท่ากับรอเสร็จคุณเลยได้ไหมได้ๆหรือว่าจะเป็นเของธรรมดาถ้าภาดมาวางมาเท่ากัเุลเสร็จแค่พอเสร็จก็ต้องตายเท่ากับลายก็รู้พัว่า เลยสบายใจไนก็หนักใจมานานเหมือนกัตราบตราบตานั่งยูกระเดียวก็มียึดจุกจะมิดตุยอะไรนะก็ไปเดินแถมตามหาใจอ๋อฉันั่งดูแคมเลยจะะโจงอ้โหยบไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไรไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไนไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไมไปไปไปไปไปไไ พิกจุกพิเศษพิเสือ๋อจะห้ออกัวท่านในจุกขะอ๋อต้องมาตั้งใหม่แล้วพิกจุกพิกจ้ทนคนนีมีนายเรื่อมนัยี่สิสองแคกะเคยเฮครับมันี่ไม่ใช่ยสิบสองเขเรงพาบาลอ๋อเบอกเอาิกจุเปิบอกพราต่อกวนี่ขอนได้ เขาไ ด, ไาาาาด้บอกว่านี่เอาิดฝืนไปจะเล่นงานทันสิตายแ้วใหม่เอาปิดฝืนเขบอกว่าใไ้แม่งํานาันลูกพาอทีรารเขาหลักสีนู่นีก็ไม่ใช่มันเท่าชานแต่ชานไม่เจ็าพี่มันถึงครอบรัก็ารมความวันนี้สบายรัคือเวลามากอยากสวดมนต์ แล้วก็ใช่ลมเรื่อยไปเลยอ๋อป ก, ก็สวดถูไม่ถูกก็ชางเข้ามาในตีวเทวดาคงถูกเนีใช่ใช่ใา่ไม่กคงูเกิด้นก็คุยเร่ไปแล้วคุยให <c oughs> ้ <c oughs> มันมันก็ผอนในตัวปวดขาอ๋อกิแล้วก็ไปอยู่กับเทวดาับรมใช่ไหยสาธาท่ไปท่านมากันเยอะมาเต็มมันนี้เต็มมากเดียโหรางตัรการที่ห่างออไป วันตรงท่านนะใช่วันมีกระดูกรอผ้าร <c oughs> อผ้าเป็นฉ่นนะตอนนี้ก่อนไปไปใส่จะไปชุดกจะไปชุดใหญ่รอาจะไปชุดโอชุดอบชุดขอบไม่กระดูกไม่ผ้าผ้าจะรู้สึกว่าโต๊ะนั้นจะเป็นเป็นถ้วยมีเป็นจะผาอ๋ออีกโตบหนึ่งชุดหนึ่งนะอาบสาววิวผมไปจะผ่พาเป็นโน้ตอดผ่าอ๋อ อ, อ, อ๋อแลวงพ่อประกำพระคุณรอผ้ากนย์ไหมรอรอทั้งรอห้ารอหนึ่งรอสิบถารหมดเลยมีกี่ร อ, อก็ร อ, อหมด <c oughs> รับหรือยางมนหน้าา <c oughs> มีแบตมีผมในทันสิบเลยครับปมัญญาอ๋อไม่เลือก <c oughs> ไม่เลือกแล้วก็ไม่เล้กี่ี่ร อ, อ, อกี่รอหมาหมดเลยมหมดหมดร อ, อที่ชายในร้านกี่ร อ, อมาดินข้างหน้าเอาหมดอ๋อ เี่หละาบเนี่ยสามดีเงี้ยสามคำถามนี้ก mm ็ hmm. แล้วนะครควาบวันนี้ก็สบายใจเยอะแล้วก็ชะตาประเทศชาติก็จะดอยู่ข้านอกเนี่ยพอรกิจเรามีใช่ไหมทราบป่ะทั้งปกติฉันคนที่เกียรรู้ตามบอกเลยเป็กียรติรู้ถ้าใครไม่ถามนะทราบปะมีเรื่องนี้คนก็ถาม แต่ว่าเวลาเขาปฏิวัติโอกาสมันมีถามแล้วไปามแล้วก็ทำได้เชื่อกระที่เฉยราตาใช่รมธรรมดาจิตมันทรงตัวอิรมันลอดจากการสัมผัสจากเออเวทนาต่างๆแล้วก็พอใจใช่ไหมตาตากนี้พออิทธิหล่อความเป็นพิษมันเกิดแต่ท่านี่ก็เลยไคุยกันตาตามากันเยอะแต่ว่าวันนี้ใครเข้ามาเกจการเนี่ยเขาก่อนไม่ได้เลยนะทำไมล่อท่าน ตูมใหญ่มานั่งฟัคนเดียวหรอประธานประธานมานั่งฟังคนนักก้นก็เลยป้อแฝงลอยไปลันมาก็รู้สึกคนดีสบายใจปะปะ<อ>ตามมาก็เลยถามด้วยว่าเรื่องภายนอกมาต่านบอกภายนอกภายในก็ไม่เป็นไรเพราะจะมีคนช่วยแก่สถานการปรตามทำไมไ่คนไทยเราเองปรามอาการลงผิดหาใจผิดทำพ้านี่ก็ต้องมีคนช่วยแก้ หรือว่าปริญญาตรีสมัยของชาต่างต่างโอกเาเรายกว่าเรื่งเาสบายใจมากเลยแล้วตอนท้ายจะจบจะหมดเกณฑ์ปัญหาพระเจ้าได้มายืนยันว่าตามที่ผมเขาพูดนะถูกต้องทุกอย่างยอดพูดเหมือนกันรุ่นลายสบายใจสบายใจั้าทุกคนพยายามหาร้ไวใชัยถ้าใจแหน่เทียยัไม่ดีก็พูดในภาษาไทยว่า ลอลอยกันดูว่านี้อก็ยังดทำนจางก็รนกระากเลยอันนี้ก็จะทำอันนี้กจะได้มีได้ผลประโยชน์ดีท่านพระอาจาร์าลาก็ยินดีไหนนะครับที่เราดีใจทุส่วนรกการประเทศจะเพ่อยึ้นขึ้นลา ท้าไม่เสียมีท่าสิบไปนอกใอญ่ก็เลยกอกวิ่จุดคอผิดแน่่งจุดก็ไปุยของเพื่ออาหารในชั้นพันเตียมเปแล้วแต่ต้องการอะไรก็เอาเถ้าะเรเสาร์ห้าไปแล้วเนี่ยป่าป่ามียมล็ดหมดาต้องการเมื่อะไรก็ไเอาเพราะเราเรามีวิเขียวอ๋อชื่ออะไร ถัดใช้หมอคนหนึ่งที่เราไปนม่กกดที่ท้าพาไปสุขใหม่ก็ไม่เหมือนกันเลยนะสัตวลาันเข้าไปเยี่ยมทานเขาไม่ฉันเด็กหมเขียวโอ้โหฉันออกมจากห้องสันตเขียวผ่าอ่าที่อะไรแกบอกอไรอกที่เดกแกแล้วบอพ่องว่ามาเยี่ยมทารม่องไม่ต้องจะไปแจกแคลเลยคอ้โมันจะดีใจสัตว์ล้วรี่ว่าขั้นตอน เราไปแล้วมันก็มีการกรทบกระทนเหมอตมหมอตราบตราบกเลยไม่ไปอ๋อก<ะ>็เลยบอกว่าเอานื้อกันถ้าไ่าเธอพอใจใช้ก็ไปอีต้เขียวนี่เป็นกมอที่มีบันโดโดนอหผ้หมอมด้ันตราบตราบกระทบกระแทกไม่จะมีอะไรตราบตรบก็เลยท่านไม่ไดบอกหมอผุ๊กม่ไดมีอะไรส้างเลย<ะ>ว่าอะไร เริ่มจะเดินมบานองคารานะทุกคนนะกล่าวบทที่เย้าไะยังไงก็ไปช่วยไล่จันไปเถอะร้อยความเมื่อกครับกลากาวนนี้แค่รัสงสัยเมื่อกี้นี้สมเด็จแล้วสมเด็จทั้มันเกิดพายาวกลาวท่านมาท่านบอกว่ามหากรมจะนเรียนมหะกรมกล่าวกาที่คนคิดแต่คิดวันนี้เองกลาวาวไม่ได้เคยคิดเรื่องท่านเลย เราไม่าคิดว่าสมัยเราเคยเรียนกับท่านท่านก็ไม่เคยดูมีอะไรก็พูดดีดีหมดแล้วเรากดใครก็ไม่ปรากฏตาไแถมไม่เป็นหมอดูจะได้คิดเป็นหมอดูจริงๆเนมันึกแต่ไอ้พมือปัไปกัดดูเส้นทยเลยแต่ใครไม่ให้ดูไม่ได้นะถ้าอยากดูดูเองชอบใจแค่เอามือไหมพูดเลยไม่ต้องดูเอ้ แต่ตำราเราก็ตัวมาต่างใช่ใช่าาที่<ช>าการยานเป็ตัเดียวกันที่การยา น, นตัเรือท้องกำลังมาถึงบ้านแล้วใน <c oughs> <c oughs> ตำรานั่เจ้าที่การยากกว่าเป็นเมียเขามาดู มันผิตเวลาเลยไปซื้อยาเส้นที่เหนือใช่ไมปตาามันควจะมาแล้วถ้สองสมวันแล้วจะชาไปป้าแต่ให้พจงดูทัหดนั้นชิดที่กัญยาวาเจลเวลานี้ปลากรเรือกำลังมาจอที่นาบ้านแล้ว่เหนือเือน้มันเก่งจริงๆลขาวพ่ออ่านร้องไม่ดีแต่พ่ออ่านตรงไหนล่ะเมื่อกี้ขอ่นนมันมีฮ่าแต่เราพูดตามไป เด็กพ่อขอาย้ำนน้นถึงว่าเขาเขา อ, ท า, อทาทิตย์เกหวัที่เก้นะเป็นนเสารลูกพ่อก็จะไปที่นั่นตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปก็เช้าที่นี่นั่งไฟเลยหรือว่าลูกหลานก็มีเวลาพบลูกพ่อดรแต่ อาเช้าถึงตอนเวลาเขานะใช่อาหลังร้อจากนั้นวันรุ่ขึ้นท่านพนมพงดงมีเนตหลากากจมีเท่มีเช่กับท่านเดิกไปนักไปวัาที่อาวัดงี่วัที่วัดนี้ก็เป็นวัดต้นให้ฉันลูกภาษาวลียังไม่เคยทำอะไรท่านเลยข้าวสาวเลยสาวที่อ๋อฉันเล่นเป็นพ่อทุกที่ข้าวไม่ประหลาดไายได้ไวนก่อน ที i, à, ่เฝาที ô, rat, ay, ่เดือนไหนอะคุมพาโอโทเนี่ยไเกิดไปมกละกก็ไกลได้เปนข้าไก่อนอ๋อนี่ในญโยมนะก้ากุมพาน่นไม่ใช่ก้าวมกุลนะไปมากสุว่าเต่าว่าเต่าว่าเนะตั้เ็นเสานยตั้งต่เ็นจ้าพุ่นแรกพเป็นมันเสาพเต่าส่เก่าเปาในวาคิด จะนมาดูตากรตาเพื่อช่วยกันหน่อยนะครับพี่ก็มายักอีกนิดนึงว่าที่วางกีฬาเล้ววันเขาสะแยกตังน่ะวันที่ยี่สิบมกราอ่ะซอยสายลงจัดรถออกวันที่สิเก้านะครับออกวันที่1ิบเก้าเ้ามงเ้าท่าวัดเขาซง้มหนึ่งคืนแล้วก็ฝับวันทิษน้องพ่อนะฝากฝับอันนี้แล้วก็ที่ยกทรงเขาไม่ใช่ใช่จับหมาเอง จัส่ระบายหลายรายกายังส่งราการระกายมีทั้งท่ทั้งหมดสรายการที่แล้มาบ้าบ้าที่ทะลุยอดมาให้ได้เงนทั้งหมด4ี่หมสรอบเกาบาทท่นีะรัสาธุสาธุสสาธุสาธุสาธุสาธุสานุสาธุสาธุสาธสาธุสาธสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุุาธ เมื่อเช้าวัน น, นี้ก็ปรากฏว่ามีญาติโยมผู้ในบริษัทบอกว่าแหมบ้านสายลมดีๆแล้วเกินมีทีวีสีเอามาให้ญาติโยมดูในการสวยแกร่ส่องไปส่อกมาก็าอยู่งมาแล้วที่ของจริงก็ลเลยตักสินใ จ, จออว่าจะซื้ออวทพอวะสายลมเนี่ย2ี่หกนิ้ว2องเครื่องเครื่องละหมื่น 14, สี่พบาทยี่ิ้ว1ิหนึ่งเครื่อง หนึ 00, 10, 000, 00, ่ง <edi kita> mm ัหนึ่งรกวหนึ่งพันหนึ่งพันให้นเงมืนเอาเปแานที่งมนหนึ่งพันกระบาทนะครับเมื่อกัางวันนี้ได้เงินมาทั้งหมด 3,000 ันกว่าแล้วถ้าบางคนใช้จะโปรลักเปิดภาพเครื่องแต่ละเครื่องละเครื่องก็ขัดท้องบ่าเปาเป็นอย่างแคหลายหลยเครื่อง แต่ถ <mile> ้าหากว่าก่อนคืนนี้ก็ทางอัตยาสายนะครับผมจะเปิดรายการพิเศษที่อาจจะเป็นคืนนี้อะไรการเรลี่ยนปากครับภาษาไทยคนลรับนะพิเศษปากปากในท่านเห็นไหนี่มโอ้โอ้โอ้โอ้นที่เราถ่ายเวลานี้เนี่ยข้าวถลายจะมีกายตรงนี้โอ้ปากปากจะมีสั้นล่องก็ได้ก็นะสีไม่ใส่ไม่ฟังนากาก พอไปเจอสีดิ่งดำนานแล้วเดี๋ไม่ไปดิ่งทองแล้วมฮะไอ้เองไอเรื่องไอ้เรื่องกระถางดำเราเสียไปเลยมันอาจจะอยู่นานแล้วว่าดำตายเป็นทองทองอ๋อบอกเลยว่าจะเ่านชื่อสาวก็เรียกได้เลยครับเรียกได้ถ้าเรื่อสีดิ่งดำก็สิบบาทถ้าเรื่องสีทองสามสิบถ้าจะคุ้มหมื่นถ้าหลวงพ่อ เสียวไม hey. ่เสียก็ตายเอาไปเอาทครับเอาละอย่างนั้นเราะคนที่ยังไม่ตายตรีมตัจัดนั่นเรียบร้อมากเอ็งเล็กก็ทำซะเองดีกว่ารอให้ตายแล้วลูกหลานทําุทแล้วก็ให้ทำให้ตายเลแล้วจะทราบจนแต่ระบันกากสองฝาฝอย่าเอากิตไปคิดเสืบางคนผมที่เราทำ้ ตัวรุกอย่างที้ทำไว้ให้ลืมในทุกวัน no ไม่ลืมวันนะสามตัดนักเรียนเรียนเดคนทนที่เราครับถ้าจิตมุ่งมั่งไม่ถึงนิพพานเจ้ากำลังไม่ถึงนิพพานจริสว่าสติฐานสุสวรรค์จะตรงใจจิตนิ่งไปมันติดตรงเดตอสนที่ถต่อติดนิ้พานเลยง่ายสามตัดพอพอจิตวิปัสสนาหรือพแนะนําม